บุกทูยี่สิบออซการสนทนาหนึ่งอัตราไดอะลกีพิรุเวลัราอลกเอร์ติทำตัวตามสบายครับคุดรดมวยสกุด ทำตัวเหมือนอยู่บ้านคุณเองนะครับทาวิกรเจนิตโรกรุตซทารสักลชทาวิอิเซอกรเนิตกตลชิ ค, ลชคุณอยากดื่มอะไรครับรัสตาเลวต์รัสตาเล์คุณชอบดนตรีไหมครับกีวาร์มูสิกา ผมชอบดนตรีคลาสสิกครับไม่มีควาสคลาส i ิ ก, ก, ก, กนี่คือซีดีของผมครับอคุณเล่นเครื่องดนตรีเป็นไหมครับ อุกรา t r o m l i m นต UMENT ุก t r o m l i m อ, อร UMENT เ, เซนี่คือกีตาของผมครับ I チェกิต I กตาคุณชอบร้องเพลงไหมครับกิว ร, รกวรัตกวัคุณมีลูกไหมครับ าชบิทกาวาชวบิทกาวคุณมีสุนัขไหมครับรกลทกาวากลทกาวคุณมีแมวไหมครับกตาทกาวกตาทกาวนี่คือหนังสือของผม ผมกำลังอ่านหนังสือเล่มนี้คุณชอบอ่านอะไรครับคุณชอบไปดูคอนเซิร์ตไหมครับ กีวาร์คอนเสิร์ตเซียรูลีกีวาร์คอนเสิร์ตเซียรูลีคุณชอบไปดูละครไหมครับกีวาร์เทตร์ชิเซียรูลีกีวาร์เทตร์ชิเซียรูลีคุณชอบไปดูโอเปร่าไหมครับกีวาร์โอเปร่าชิเซียรูลีกีวาร์โอเปร่าชิเซียรูลี